ใจไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรมีแต่ความสุขอยู่ในตัวเองอิ่มเอิบเบิกบานสดใสซับซ่านะเนี่ชักง่วงแล้วต้องเปลี่ยนเสียงเทศละนะ <c oughs> แม่เทศทีไรนะต้าตั้งแต่ต้นจนจบหลวงปู่ดูลท่านสอนนะบอกว่าเวลาแสดงธรรมนะต้องแสดงให้ครบนะอริยัตปฏิบัติปฏิเวทเอาให้ได้ให้ครบถึงจะมีอัทรรถของการฟังของการแสดงธรรม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 พอเราเจริญสติขึ้นมาใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเราเห็นโลกอยู่ส่วนโลกโลกนี้ไหลมาไหลไปกิเลสไหลมาไหลไปธรรมาไหลมาไหลไปนะแล้วเราแค่แค่รู้สึกใจเราก็ถอยออกมาจากโลกมากขึ้นมากขึ้นจนวันหนึ่งมันก็ขาดออกจากโลกเลยมันเห็นเลยโลกนี้ไร้สาระคือสภาวธรรมทั้งหลายรันแต่ไร้สาระไร้สาระเพราะไม่เที่ยงมั่งไร้สาระเพราะเป็นทุกข์้างไร้สาระเพราะไม่อยู่ในอำนาจบังคับมาง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 ถ้ามันเผลอเพลินไปอยู่ในความว่างๆนะี่ไม่เห็นทุกข์นี่บางคนไปสอนกันนะบอกให้ทําจิตอยู่กับความว่างเนี่ยชอบไปอยู่กันตรงนี้เยอะแยะเลยว่างอยู่งั้นได้เป็นปีๆแล้วคิดว่าเป็นพระลระหันนะไม่หันหรอกอยังหันซ้ายหันขวาอยูนะ่มีผู้หญิงคนหนึ่งนะอาจารย์ก็ว่าพระลนะหันแะล้วนะตีกับสามีเพื่อนๆก็บอกเธอเป็นพระละหาันแล้วเธอไปตบตีสามีนะนี่ฉันตีเป็นกิริยานะ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 ไม่ได้สมรรถะแต่เบื้องต้นจะบริกรรมก่อนก็ไม่เป็นไรเบื้องต้นะบริกรรมแต่ว่าต้องรู้วัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าบริกรรมเพื่อเตือนตัวเองให้รู้ว่าสภาวะอันนั้นกําลังปรากฏอยูนะ่เช่นความกโกรธเกิดขึ้นจะกโกรธนอโกรธน้อแล้วค่อยดูที่ความกโกรธไปนะสังเกตออกความกโกรธหน้าตาเป็นอย่างนี้ ค, ค่อยๆรู้ไปเห็นความกโกรธเกิดแล้วก็ดับไปไม่ใช่กโรกโรธนอโกรธนอเพื่อให้หายโกรธ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 ทุรนทุรายขึ้นมามันจะเสื่อมนานหลายเดือนบางคนเสื่อมเป็นปีเลยแต่บางคนใจถึงเห็นว่าวันนี้ไม่มีสติเลก็รู้ว่าวันนี้ไม่มีสติใจเป็นกลางรู้ตื่นเบิกบานในฉัพรันนั้นเลยอยู่ที่ว่าใจเราเป็นกลางไหมถ้าใจเราเป็นกลางต่อทุกๆสภาวะนะั้มันไม่เจริญไม่เสื่อมกมาดีนะโยมภาวนาดีดีใจด้วย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 อย่าหลงไปอยู่กับความสุขดีใช้ได้ความจริงนะโยมต้องการคำเดียวนะดี <c oughs> ถ้าหลงภาพบางทีกว่าจะตอบนะบางคนหลงภาพก็ไม่ยอมบอกใช่ไหมอธิบายธรรมะไปนะใจโ ย, ยมจะค่อยแป้วไปเรื่อยๆเขาบอกเออดีแล้วสบายใจสบายใจเป็นทุกคนแหละนะ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 อย่างหลวงปู่สิมนะมีคราวหนึ่งภาวนาแล้วจิตรวมลูกเดียวทํำยังไงไงก็รวมแบบรวมแบบสลบอะหัวสู้หัวโซนหมดความรู้สึกเลยตลอดเวลาขนาดเดินจงกรมก็เป็นนั่งขัดสมาธิเพชก็เป็นทําไงก็เป็นไปถามท่านว่ามันเป็นอย่างนี้จะแก้ยังไงท่านตอบว่าอย่สงสัยอะไรทําไปสินะดูครูบาอาจารย์นะั้นไม่บอกง่ายต้องตีความมากมาย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 <laughs> <c oughs> ไปดูเอานะ <c oughs> อ ข, าขอพระคุณเจา้าค่ะใจซึมนิดหน่อยใจยังซึมอยู่ดูออกไหมหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวได้เลิกอ่อว่าไปนำ้ำมศการค่ะอาจารย์นะคะไหนอยู่ไห น, น<อ>คือคือคอค่ะ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 คือผมปฏิบัติโดยการใช้วิธีดูริมฝีปากหรือไม่ก็ดูการกระพือที่หน้าผากครับเหมือนมีอะไรแปะกแล้วก็ดูกระพือแล้วก็นั่งสมาธิไปก็จะรู้ว่ามันมันรู้กว้างแล้วก็รู้ลึกแค่แอบผ้าครับและอีกแบบหนึ่งคื อ, อมองดูกายกับใจเป็นภาพรวมเลยดูกาเกิดพึทซึ่งกันและกันอันนี้แบบที่สองครับแล้วก็ในชีวิตประจาวันก็คือ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 กายตามที่เขาเป็นรู้สึกจิตใจตามที่เขาเป็นนะอย่าไปดัดแปลงมันทำแบบที่สองดูครับเออนั่งไปนั่งทำแบบที่สองไปเอาไมค์ให้คนอื่นเขาไปก่อนหลวงพ่อคะส่งการบ้านสองเรื่องคะ่ะออหนูจะบอกว่าบางทีเนะนี่ยแป๊บนึงนะเา้าของคุณลืมตาขึ้นมาถ้าดูอย่างนี้นะอย่าให้ใจเคลิม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 ใจเป็นกลางต่อความสุขและความทุกข์ใจเป็นกลางต่อกุศลและอกุศลทั้งหลายสรุปแล้วก็คือใจเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายเพราะมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างมันเกิดระดับทุกอย่างชั่วคราวเมื่เราภาวนาไปถึงจุดสุดท้ายที่จะภาวนาได้ก็คือจิตมันจะมีปัญญาเป็นกลางมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยความปรุงแต่งทุกอย่างเนี่ยชั่วคราวทั้งหมดเลยเกิดระดับบังคับไม่ได้จิตจะเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวง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 อิชิตังปติตังทุมหังคิปเมวาสมิตชตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโดปันนาราโสยะธามณีโชติราโสยะธาสัพีติโยวิวัตชันตุสัพรโรโควินั ส, สตุมาเตปวัตวันตรารโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาฒนาสีลิสนิจังุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวรนโนสุขังภะลัง